พราชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นสมุทัยเป็นนิทานเป็นปภจจุเป็นเดินเกิดเพราะชาติมีนี่ยแหละชรา ม, มรณะจึงมีชาติมีเทัางอะไรมีหน้อแหละการเกิดในนรกเปรตอสุรกายโดยระชานเกิดในหมูมนุษย์เกิดในบูเธวดาทั้งหลายเนี่ยชาติที่ปฏิสนธิเหล่านี้ในภพภูมิท้องเตี ง, ตงทุกฝน ท, ทุกแห่ ง, งมีอะไรหน้อเป็นปัจจัยสาวไปพิจารณาว่ากรรมเนี่ยเป็นตัวจําเนื้ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเหล่านี้เป็นเครื่องจำแนกให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นเช่น น, นั้นเช่นนั้นต ร, รเหล่านั้นมีเพราะอะไรมีหนอก ร, รมกรรมีก็เพราะอุปาทานมีอุปาทานมีก็เพราะตันหามีตันหาอุปาทานน่นคืออะไรคือความยึดความาถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราความสําคัญว่านั่นก็ของเรานั่นก็เรานั่นก็ของเรานั่นก็อัตตาของเรา ใครกลับบ้านนั้นไม่สําคัญนะนั่นเรานั่นของเราก็ใช้ได้แต่ไม่ใช่ว่าสาทยายเสร็จก็หากระเป๋าของเราแต่มันก็ยังของเราอยู่นะตาไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเราเห็นอะไรไม่ดีเราก็ไม่ชอบความยึดถือนี่ยิ่งใหญ่จริงๆนะต่อกายกรรมวิจีกรรมแล้มโนกรรมความยึดถือด้วยอำนาจปัญหาอุปาทานนี่มีอะไรเป็นปจัจจังเวทนาเวทนามีเท่าไหร่ มีมเหตจากขู่สัมผัสชาเวทนาโสตะสัมผัสชาเวทนาคานะสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายาสัมผัสชาเวทนา ม, มโนสัมผัสชาเวทนาเวทนาเหล่านี้มีอะไรหนอเป็นปจัจจัยมีภาษาภาษาอะไรบ้างนะจากขู่สัมผัส โสตสัมผัสคานาสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสและมโนสัมผัสภาษะเหล่านี้แหละเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาทั้งหกภาษาเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยหนอสลายยตนะสลายยตนะคือตาสลายยตนะคือหูสลายยตนะคือจมอูก สลายตนะคือเลนสลายตนะคือกายสลายตนะคือใจอายตนะเหล่านี้ทั้งมวลมาจากไหนหนาะนามรูปมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จักขลายตนะมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่โสตายตนะมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่ขนายตนะมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่เชิวหายตนะ มหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่กายายตะนะนามธรรมทั้งหลายคือเจตสิกเป็นปัจจัยแก่มานายตนะมหาภูตรูปทั้งหลายเหล่านี้พรทั้งรูปเพื่อส า, ายมหาภูตรูปและเจตสิกทั้งหลายมีอะไรเป็นปัจจัยมีวิญญาณเป็นปัจจ RIGHT? ัยบางพวกมีวิปากวิญ ญ, ญาณเป็นปัจจัยมหาภูตรูปมีกรร ม, มวิญญาณเป็นปัจจัยแล้ววิญ ญ, ญาณเหล่านี้มีอะไรน้อยเป็นปัจจัย มีสังขารเป็นปัจจัยก็มีกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยแล้วกรรมมีอะไรเป็นปัจจัยอวิชชาอวิชชามีอะไรเป็นปัจจัยมีอาสวะอาสวะมีอะไรเป็นปัจจัยมีอวิชชาก็เลยกินรวบเพราะรวบพังอยู่อย่างนี้แหละสรุปก็เหมือนบดส่วนที่เราสวดเนี่ยเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป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 เพราะชาตเป็นปัจจัยจึงมีชรามารณะโสกะปริเทวะทุกขะเทมนัณุปายว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลก็มีด้วยอาการอย่างนี้เชื่อไหมเว้นภาเริยบบุคคลเสียประทับหน้าผากวิชาไว้ได้เลยมีวิชาผามาทั้งนั้นเลยไะของเราเวลาส่องกระจกเนี่เห็นหน้าผากเลยว่าวิชาผามา อวิชานี us, ้เป็นต้นเขาแห่งปัจจัยที่ชรามรณะทุกชรามรณะนั้นมีอาวิชาเป็นปัจจัยในทุกพบทุกภูมิทุกหนทุกแห่งในที่ทั้งตวงและประการทั้งตวงในกาละทั้งตวงเนี่ยชรามรณะสัพพชรามรณะสัพพความแก่และความตายมีอวิชาเป็นปัจจัยอวิชาเหล่านั้นที่เป็นปัจจัยแห่งชรามรณะว่าโดยสรุปโดยย่อเป็นอย่างนั้น เพอะไรไม่มีหนอชรามรณะจึงไม่มีกระพิจารณาโดยโยบคายหรือว่าถ้าไม่เกิดเสอย่างเดียวนั่นไม่ต้องเก่ต้องตายแบบนี้เพราะถามว่าล็อกถ้าไม่เกิดเนี่ยถพ่อไรดับชาติจึงดับพราะภพดับชาติก็ดับคือกตามดับนี่แหละชาติก็ดับถ้ากตามดับพ่อไรดับอุปาทานดับอุปาทานดับพ่อไรดับปัญหาดับปัญหาดับพ่อไรดับเวทนาดับเวทนาดับพ่อไรดับ ภาษาภาษาดับพรอไรดับสลายตนะสลายุตนะดับพร่อไรดับนามรูปนามรูปดับพ่อไรดับวิญญาณดับและวิญญาณดับพร่อไรดับสังขารสังขารดับพร่อไรดับอวิชชาอวิชชาดับพ่อไรดับอาสวะอาสวะดับพ่อไรดับพระอวิชชาดับทั้นโดยกตามทั้งตัวนี้ถ้าสำรคอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารก็ดับ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 เพราะชาติดับชรามรณะโสตปตริเทวทุกขโทมนัตและอุตายา จ, จึงดับความดับแทนกองทุกทั้งมวลมีด้วยอาการอย่างนี้เพ่งแหงตลอดชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโร็ชรามรณะิโรธะคามินีตริปทา แทงตลอดชรามารณะด้วยปริญญาผู้สมัยแทงตลอดชรามารณะสมุทัยด้วยตหานาผู้สมัยแทงตลอดชรามารณะนิโรธด้วยสัชิกาสัิกิริยาหรือว่าสัชิกาผู้สมัยแทงตลอดชรามารณะนิโรธคาไม่มีปฏิปทาด้วยภาวนาผูสมัยขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กำหนดรู้ชรามรณะผู้ละชรามรณะสมุทัยผู้ทำให้แจ้งชรามรณะนิโรธผู้เจริญชรามรณะนิโรธค า, ามิหนีปฏิปทาขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงกำหนดรู้ชาติผู้ทรงละชาติสมุทัย ผู้ ท, าา ร, ทรงธรรมชาตินิโรธให้แจ้งผู้ทรงเจริญชาตินิโรธคาไินีปฏิปทาขอนอบ น, อน้อมแดบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทรงกําหนดรู้พบและพบสมุ ท, ทัยทำพบนิโรธาให้แจ้งเจริญพบนิโรธาคาไินีปฏิปทา ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงกำหนดรู้อุปาทานและอุปาทานสมุทัยทำอุปาทานาานิโรธาเจงเจริญอุปาทานนิโรภคามิหนีปฏิปทาขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงกำหนดรู้ปัญหา ละตันหาสมุทัยทามตันหานิโรธให้เจนเจริญตันหานิโรธคามินีปฏิปทาขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงกำหนดรู้เวทนาและเวทนาสมุทัยทามเวทนานิโรธให้แจ้ง เจริญเวทนานิโรธาคามิเีปฏิปทาข อ, อนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงกําหนดรู้ภาษาและภาษะสมุทัยธรรมภาษาเนรธาใจแจ้งเจริญภาษนิโรธาคามิเนปฏิปทาข อ, อนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงกำหนดรู้สลายตนะละสลายตนะสมุทัยรำสลายตนะ น, น, นิโรธาเชื่อมเจริญสลายตนะนิโรธาามินีปฏิปทาขอนอบน้อมบ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงกำหนดรู้นามรูปและนามรูปสมุทัย ทำนามรูปนิโรธให้แจ้งเจริญนามรูปนิโรธาคาไมินีปฏิปทาขอนอกน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงหนดรู้วิญญาณล้าอืญญาณสมุทัยทำวิญญาณนิโรธให้แจ้งเจริญวิญญาณนิโรธาคาไมินีปฏิปทา ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สหนดรู้สังขารละสังขารสมุทัยทำสังขาร น, นิโรธาแจ้งเจริญสังขาร น, นิโรธาคามิมีปฏิปทาขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงกำหนดรู้อวิชชาละอวิชชาสมุทัย ทำวิชานิโรท่าแจ้งเจริญวิชานิโรภ่าขามินีปฏิปทาขอรอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงกำหนดรู้ทุกละทุกขสมุทัยทำทุก ข, น, กขนิโรท่าแจ้งเจริญทุกขหนิโรภ่าคามินีปฏิปทาพระองค์เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยวิชา วิชาของพระองค์คืออาสวัคคายานอาสวัคคายานเริ่มตั้งแต่โสดาปฏิมขยานก็เกิดขึ้นโสดาปฏิมขยานนั้นแทงตลอดอริยสัจจะทำสีประการแทงตลอดวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธท่ธ า, ามินีปฏิปทาเมื่อพระองค์แทงตลอดโสดาปฏิยานและปัจเวคขณะยานเกิดขึ้นก็พิจารณาวัตตะเหล่านั้นอีก ปัจเจกขณะยานพิจารณามร์พิจารณาผลพิจารณานิพพานพิจารณากิเลสที่ล้าเร็วพิจารณากิเลสที่เหลือหลังจากนั้นพระองค์ก็เจริญด้วยปัสนาต่อไปอีกเพื่อให้ทำให้แจ้งโสดาปฏิมร์พระองค์ก็เจริญด้วยปัศนาพิจารณาจนได้โสดาปฏิมร์เมื่อโสดาปฏิมร์เกิดขึ้นก็ปัจเจกขณะยานทั้งห้าก็เกิดขึ้นหลังจากโสดาปฏิผลมร์ก็เกิดปัจเจก เม hmm. ja ื่อปัจเวกกิเลสที่ละเลวกิเลสที่หลัวพิจารณามรพิจารณาผลก็ปฏิบัติเจริญวิปัานนาจนบรรลุเป็นพระสกทาคามีใช่ไหมพอเป็นพระสกทาคามีก็เจริญวิพพานนาให้เต็มพระนาคามีพอเป็นพระนาคามีก็มีปัจเวกขันญาณเกิดขึ้นพอได้ปัจเวกขันญาณเสร็จก็เจริญวิพพานไชนจนบรรลุเป็นพระอรหันต์พอพระอรหันต์เกิดขึ้นพร้อมกับอรหัตผล อรหัตผลเกิดขึ้นรุ่งอรุณก็เกิดขึ้นพอดีพระองค์ก็ตรัสรู้อรหัตผลพร้อมกับรุ่งอรุณเช้ามื่อคืนมังวิสาขก็ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยอำนาจอรหัตผลอารหัตผ ล, ลของพระองค์ก็ เ, เลยเป็นอารหัตผลชั้นเลิศเป็นการตรัสรู้ที่ประเสริฐสูงสุดไม่มีการตรัสรู้ใดจะยิ่งใหญ่เท่านี้ทั้งหมื่นโลกธาตุก็เกิดวันไหวแองสว่าง สองสว่างจนถึงโลกันดันรกเกิดนิมิตรอันน่าอัศจรรย์หาประมาณไม่ได้พระองค์ก็เปล่งคาถ า, าเลยมาเช้าะไรอเนกชาอั น, นว่าพร้อมกันหน้าไหนหน้าสิบห้านะอเนกชาติสังสรารังสันธาเวสังอเนเภสัม ขาหะการังขเวสัมโตถูกข้าชาติปุณณปุนังขาหะการะกาทิโทเสตุนาเทหังนาาหาเสสัททาเตภาสุกาภักขาขาหะตูตังเวสังขะตังเวสังขาระขตังจิตตังตันหานังขยมัชคา เราสแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือนคือตันหาเมื่อไม่พบได้ท่องเที่ยวไปตลอดชาติสงสารมีใช่น้อยการเกิดใบใบเป็นทุกข์ร่ำไปดูก่อนนายช่างผู้สร้างเรือนคือตันหาเราพบท่านแลว้วท่านจากสร้างเรือนแก่เราไม่ไา้ไม่ได้แลว้ว โครงเรือนของท่านเราหักเสียแล้วยอดเรือนคืออาวิชาเราก็กนจัดเสียแล้วจิตของเราถึงวิสังขารเถอพระนิพานอ่านปัจจัยพุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเพราะบราบัรู้ธรรมเป็นที่สิ้นปัญหาแลว้วคาถานี้ก็เป็นคาถาที่พบรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คืออรหัตผลเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เปล่งอุทานเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทุกพรองจะเปล่งเหมือนกันบอกว่าแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือนคือตันหาคิดนานน ก, กว่าจะรู้ว่าตันหาที่ชอบในสีสร้างอะไรสร้างตาตันหาชอบในเสียงสร้างโอ้ตันหาชอบในกลิ่นสร้างจำโกตันหาผู้ชอบรถสร้างลป็นเดื อ, ม, อมือนี้จะอะไรรู้ปะ ปัญหาที่รับโพธิพราสร้างายปัญหาที่ชอบคิดสร้างใจสแสวงหาตัวปัญหาตัวนีิหามานานหนักมาแล้วหามาเสียสงไขส่ส้นกับเจอเลตอนที่หาตัญหาผู้สร้างวัาตานิฮ่าไม่พบทำไงก็ท่องเที่ยวไปตลอดชาติสงสารไม่ใช่น้อยตลอดชาติหมายถึงอะไรตติสนธิใช่ไหมสงสารคือขันธ์าตุอายตนะที่ไหลไปอย่างสูบเนื่อง ฉะนั้นเพาะหาตัวตนหาหาตัวข้อต่อหาข้อต่อที่เชื่อมวัฏฏะเอาไว้กับวัฏฏะผูกวัฏฏะเอาไว้กับวัฏฏะผูกต ร, รมาไว้กับวิบากหาตัวต้นเหตุตัวนี้หาไม่พบก็บเที่ยวต่อของเราหาพบเรื่อง <Okay. S 1> ของเราเนี่ยกาลังหาอยู่ได้เจอคํำสอมก็เหมือนกับพบแต่ว่าจริงๆไม่ค่อยพบหรอกดูภาพพบจริงมันก็จังละได้แต่ไม่ยังพบไม่จริงเดี๋ยวก็สังสารวัฏไปล้วสูบเนื่องไป ถ้าพบจริงๆเนี่ยพบแค่ไหนจริงก็เรียกว่าพบจริงถ้าผู้ใดรู้ทุกก็จะแทงตลาดทุกขสมุทยัยถ้าผู้ใดแทงตลาดทุกขสมุทัยผู้นั้นต้องแทงตลาดทุกขเนรโรธผู้ใดแทงตลาดทุกขเนรโรธก็แสดงว่าแทงตลาดทุกขะนิโรธถ้าคามินีปฏิ ป, ปทาถ้าหากพบจริงก็ต้องพบปริยสัตว์ทั้งสี่ประการถ้าหากว่าไม่พบก็ต้องเป็นยังไงก็เกิดบ่อยๆการเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกขล่ําไป ทำเวลาเห็นเด็กนึกเลยนะโอ้โหเนี่ยเขาจะต้องมาดบกมหาภาระอะไรอีกเนอะถ้าเกิดบ่อยก็ทุกบ่อยกเกิดเท่าไรก็ทุกเท่านั้นเกิดเท่าไรก็รับใช้ขันท่าเท่านั้นดูก่อนนายช่างผู้สร้างเรือนคือตันหาเราพบท่านแล้วคือพบอริยสัจแล้วท่านจักสร้างเรือนคือสร้างสังสารวัฏให้แกเราไม่ได้อีกแล้วโครงเรือนของท่านโครงเรือนคือกิเลสสารพัดชนิดเราหักเสียแลว้ว ยอดเรือนคืออวิชาเราก็กำจัดเสียแล้วด้วยอรหัตตมักจิตของเราถึงวิสังขารคือมีนิพพานเป็นอารมณ์สภาวะของพระนิพพานไม่มีปัจจัยอะไรพุงแต่งอีกเลยเพราะเราบรรลุทำเป็นที่สิ้นปัญหาคืออรหั ต, ตผลแล้วเมื่อแทงตลอดอรหั ต, ตผลก็ถือว่าเสร็จกิจของตนประโยชน์ตนพระองค์ก็ได้บำเพ็ญแล้ว พระ อ, องค์ชื่อว่าเป็นผู้แสวงหาประโยชน์ตนพระ อ, องค์ก็ได้ทบประโยชน์ตนแล้วพร้อมกับประโยชน์ตนที่เกิดขึ้นเจตนาเดิมปณิธานเดิมที่เรียกว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยคือเจตนาเดิมตั้งไว้ว่าถ้าเรากำหนดรู้ทุกแล้วเราจะให้ผู้อื่นกำหนดรู้ด้วยถ้าเราละสมุทัยแล้วเราจะให้ผู้อื่นละด้วยเราทานิโรธให้แจ้งแล้ว เราจะให้ผู้อื่นทํานิโรธให้แจ้งด้วยเราอบรมอริย ม, มากอันประกอบด้วยองค์แปนเต็มเต็เตี่ยมบริบูรณ์ปราศรูเล่จะให้ผู้อื่นปราสรู้ด้วยเพราะฉะนั้นการข้ามจากวัดตาครั้งนี้เราข้ามแล้วก็จะให้ผู้อื่นข้ามด้วยหลังจากที่พอองปราศรูพอองเสวยวิมุติสุขอยู่เจ็ดวันวันที่เจ็ดเจตนาที่ตั้งความปรารถนาว่าเราจะสง้อราสัตอื่นก็เลยไปดูซินมูสัตว์เขาเปไน็นไง มีเข้าจะสงข้องเขาได้ไหมพอพิจารณาก็สังเวชมากแบ่งอุฏานดูในโลกสูตรในกุฏานตรงกับพิจารณาเห็นความสับสนวุ่นวายของหมู่สัตว์โลกแต่เด่นโพงก็มาพิจารณาทบทวนก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทวันที่เจ็ดที่ดปงประทับนั่งที่โพธิมณฑลในคืนราตรีที่เจ็ดโปงก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทพิจารณาว่ายัางไงมาดูหนะ้าสิบหก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 ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของความนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุหน้าสิบหกเนี่ยอย่าไปคิดว่าหมอธงใช้เวลาคิดอยู่สี่ชั่วโมงเนี่ยธงคิดอะไรเราเสวีอยู่ไม่ถึงสองนาทีพ อ, องคิดว่าวันไหนใช้เวลาตรึกอยู่ตั้งสี่ชั่วโมงด้วยกันเป็นการบ้านนะเดี๋ยวเย็นนี้แล้วให้ฟัง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 เพราะภาษะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัญหาจึงดับเพราะปัญหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามารณะโสกปริเทวทุกขโทมานตและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการชนนี้พวกผมก็ได้เป่งอุทานอีกว่า เมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งตัวของพรามนั้นย่อมสิน้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งตัจใจทั้งหลายในหน้าซ้ายมือหน้าสิบกที่บอกว่าทำทั้งหลายทำในที่นี้คืออะไรคืออริยสัจจะทำธธรรหรือโพธิปัจจียธรรมเมื่อใดโพธิปัจขียธรรมเนี่ยปรากฏแก่พรามผู้ เพียนเพ่งคือผู้เพี้ยนเจริญลักคนูปนิชฌานและอารัมมณูปนิสชานเมื่อเพ่งอยู่อย่างนี้ความสงสัยสิบหกอย่างหรือความสงสัยแปดอย่างสงสัยสิบหก็มีอะไรบ้างสงสัยในอดีตว่าเราเคยมีเน้อรู้หนอหรือสงสัยแปดคือสงสัยในคุณของพระ พ, าาพุทธเจ้าเป็นต้นพอเพ่งพิจารณาด้วยลักคนูปนิสชานอารัมมณูปนิสชานจนโพธิปัจขยธรรมเกิดขึ้น ท่านก็นเลยหายสงสัยเพราะรู้อะไรเพราะรู้ทำพร้อมทั้งเหตุก็คือป ร, รัสรู้อะไรรู้สมุทัยสัตย์คาถานี้จึงเป็นการกล่าวถึงปรัสรู้สมุทัยสัตย์คือรู้ขันห้าพร้อมทั้งต้นเหตุคล้ายๆกับคาถาย่ทำ ม, มาเหตุตปตถภาวานะทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดก็คือรู้ทำพร้อมทั้งเหตุตรู้ทำพร้อมทั้งสมุทัยรู้ตาพร้อมทั้งสมุทัย รู้หพูพร้อมทั้งสมุทยัยรู้จมูกพร้อมทั้งสมุทยัยรู้ลิ้นพร้อมทั้งสมุทัยรู้กายพร้อมทั้งสมุทยัยรู้ใจพร้อมทั้งสมุทัยไม่ใช่แต่ภายในอย่างเดียวนะทั้งภายนอกอย่างที่กล่าวเมื่อคืนว่าพิจารณาตลอดเหมือนโลกธาตุพ่องก็พิจารณาถึงว่าแล้วทำเหล่านี้มันดับได้ไหมดับได้แต่ต้องดับที่ปัจจัยดับปัจจัยนี้ดับอะไรก่อนก็ดับอวิชชาดับสังขาร ดับยุญยานามรูปสลายเจตนาภาษาเวทนาตันหาอุปาทานถ้าดับพบดับชาติชรา ม, มรณะเป็นต้นว่าไปรันดับไปองก็เลยอุทานอีกว่าเมื่อใดโพธิปักขยธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ต้องเพียรแล้วก็เพ่นด้วยอาตาปีนเพียรตัว น, นั้นหมายว่าเพียรทำกิเลสให้เร่าร้อนเป็นต้นความสงสัยทั้งสวงของพรามนั้นก็ สิ้นตายเพราะได้รู้ความสิ้นตายแห่งปัจจัยตรงนี้พิจารณานิโรธสัจจะนิโรธสัจจะนี้เป็นการอะไรคือการสํารอกส ม, มุทัยนั่นเองความดับส ม, มุทัยเป็นนิโรธสัจจะเพราะฉะนั้นท่านได้ตรัสรู้ความสิ้นแห่งปัจจัยก็คือตรัสรู้นิโรธสัจจะทีนี้มาดูพิจารณามัคคสัตว์ว่าพิจารณา ย, ยัางไงพิจารณาว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร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 เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามารณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขั้งมวลมีด้วยประการชนี้เพราะอาวิชชาดับด้วยการสำรักโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารจึงดับดเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ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 ความดับแผงกองทุกทั้งมวลมีด้วยประการชนนี้อันนี้ก็พิจารณาอริยมรรคพิจารณาอริยมรรคที่แทงตลอดอะไรมรรคคืออะไรมรรคคือเตว่ที่เข้าไปกําหนดรู้ชรามรณะละชรามรณะสมุทัยรำชรามรณะฮีโร่ไทเจ้งมรรคคือคุณที่เข้าไปกําหนดรู้ชาติละชาติสมุทัยทำชาตินิโร่ไทเจ้งมรรคคือธรรมชาติที่ กำหนดรู้พบและพบสมุทัยทำพบนิโรธให้แจ้ง ม, มักคือธรรมชาติที่กำหนดรู้อุปาทานและอุปาทานสมุทัยทำอุปาทานนิโรธให้แจ้ง ม, มักคือตัวที่กำหนดรู้ตันหทาและตัญ ห, หานิโรธให้แจ้ง มักคือคุณธรรมที่กำหนดรู้เวทนาและเวทนาสมุทัยทำเวทนานิโรธให้แจ้งมักคือคุณธรรมที่กำหนดรู้ภาษาและภาษาสมุทัยทำภาษานิโรธให้แจ้งมักคือคุณธรรมที่กำหนดรู้สลายตาะและสลายนาสมุทัย รมสลายตนะนิโรท้ยแจ้งมักคือคุณธรรมที่กำหนดรูนามรูปละนามรูปสมุทัยทมนามรูปนิโรท้ายแจ้งมักคือคุณธรรมที่กำหนดรู้วิญญาณละวิญญาณสมุทัยทมวิญญาณ น, นิโรท้ายแจ้ง มรคือคุณธรรมที่กำหนดรู้สังขารและสังขารสมุทัยทำสังขานิโรธห้แจ้งมรคือคุณธรรมที่กำหนดรู้อวิชชาละอวิชชาสมุทัยทำอวิชานิโรธห้แจ้งมรคือคุณธรรมที่กำหนดรู้อาสวะและอาสวะสมุทัย ทำอาสวะนิโรธให้แจ้งสะท้นว่ามรรคเนี่ยเป็นตัวที่กําหนดรู้โดยกิจกําหนดรู้อาสวะอวิชชาตันหาอุปาทานเป็นต้นเนี่ยโดยกิจและอวิชชาสมุทยัยและสังขารสมุทยัยและวิญญาณสมุทยัยและนามรูปสมุทยัยและสลายตนาสมุทยัยเป็นต้นก็ละโดยกิจทำอาสวะนิโรธให้แจ้งโดยอารมณ์ ทำอวิชานิโรธให้แจ้งโดยอารมณ์ทำสังขานิโรธให้แจ้งโดยอารมณ์ทำวิญญาณิโรธให้แจ้งโดยอารมณ์ทำนามรูปนิโรธให้แจ้งโดยอารมณ์เพราะฉะนั้นมรคนั้นคือธรรมชาติที่กำหนดรู้ละโดยกิจทำให้แจ้งพนันธุพันทั้งหมดโดยอารมณ์พระองค์ตรัสรู้อริยสัจอย่างนี้จนบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณธรรมที่เกิดขึ้นหลังจากเป็นพระพุทธเจ้าจะมีอะไรบ้างก็คงเป็นตอนตอนบ่ายจะได้กล่าวถึงเหตุการณ์สถานที่ในบริเวณนี้ที่ได้จะก ล, ากลาก่าวต่อไปสรุปว่าตอนเชาน้านี้เป็นพระพุทธเจ้าสมบูรณ์แบบแล้วได้มากล่าวถึงคุณธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันตญญยังสะพัดตธิธานคาทโยปนามาเซ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 ที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วภูมิได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางพูมเป็นคู่เวนกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรรมืม่ทั้งสี่